ตังสอนนะขี่เกียร์ทำตามมันเจริญไม่ได้แบบนั้นนะเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ทองทนความอดจากไม่ได้ข้อนี้ก็สำคัญเราเป็นนักบวชเนี่ยอย่าไปทะเยอทะยานเกินขอบเขตในปัจจัยทั้งสี่ ให้เป็นธรรมตนเป็นคนมัมกน้อยสันโดษมันถึงจะกทำให้กิเลสนั้นเบาบางอาอกไปจากกิจใจถ้าหากว่าทาตนเป็นคนมากๆอยู่แล้วไม่ได้กิเลสมันไม่แห้งเลยนั่นเราบวชมานี่ให้เพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่เราบวชตามระเพนีเฉยๆโดยเฉพาะบวช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 <c oughs> เราเนืลึกชาติหนนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกถ้าเรือลึกชาติหนนใดหลังได้นะมันจะรู้ตัวเลยว่าแต่ชาติหลังๆคืนไปใ น, นบางชาติอาจจะได้ไปตกนรกอยู่นู่นก็ไม่รู้ว่านานแสนานานเท่าไรแล้วกว่จะพ้นจากนารกมาได้นั่นนะแต่ว่าเมื่ออวิชชาตัญหามันหุ่มหอบ แล้วเกิดมาชาตินี้มันก็ะระลึกชาติหนนหลังไม่ได้เลยอย่างนั้นนะพราะคนะระลึกชาติหนหนหลังไม่ได้อย่างเนี้เลยเลยเข้าใจว่าตนบริสุทธิ์เลยนึกว่าตนไม่ได้มีมัวหมองอะไรมาแต่ก่อนเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันถึงได้ลืมตัว <c oughs> มันถึงไม่กลัวบาป ก, กลัวอกุศลกรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ ไม่กลัวเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ตนก็ดีอยู่นี่เนี่ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้นะมีกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่นี่ไม่เห็นมีอะไรบกพร่องอันนี้นะให้พึ่งเข้าใจคือว่าความจริงนะถ้าหากว่าตนทำบาปมาแต่ก่อนนะ ตนสเสวยผลของบาปนั่นมาหมดแล้วเรื่องมันนะมันี้บังเอิญได้ทำบุญกุศลไว้เมื่อมเมื่อสเสวยผลของบาปหมดไปแล้ววันนี้บุญมีโอกาสให้ผลต่อก็เลยได้เกิดมาเป็นคนนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์นะไม่บกพร่องอย่างนี้แสดงว่ากรรมเวีที่ได้รุมหลงก็ะทำมาแต่ก่อนนะั้นมันหมดอายุลง ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าเศษบาไม่ไม่หมดแล้วเกิดมาในชาตินี้ก็จะมีอัตภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้หรอกขี้กระจอกงอกง่อยฮะวีบัดไปนานาประการขาดขาดไปไม่ครบหมายความว่ า, างั้นนะเศษบามันติดตามมานะ น, นี้การที่เรามีอ ว, วัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้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 จะไม่ใช้กายอันนี้ทำความดีเข้าไปไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนปล่อยให้กิเลสมันยัายีเอาจนเรไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างนี้มันก็เท่ากับว่าทำลายตัวเองจากความเป็นมนุษย์ต่อไปนี้มันก็ยากที่มันจะได้เป็นมนุษย์อีกนะถ้าหากว่าทนหันลงไปทางชั่ว อย่างนี้แหละต้องนึกถึงตัวเองอย่างนี้เสมอแลยเราเป็นพระเป็นเจ้านี่นะบุญกุศลส่งให้เราได้ไต่เต้าขึ้นมาสูงปานนี้แล้วนะเราต้องพยายามรักษาความดีของตนที่ทำมาแล้วให้มันคงอยู่แล้วก็พยายามทำความดีเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอีกไม่หยุดไม่หยอดพยายามทำละตนให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ อย่าไปคำนึงถึงสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยบาวางออกไปจากใจนั้นอันนี้นับว่าเป็นกิจธุระอันสาคัญที่เราเป็นนักบวดนี่นะเพิ่งเข้าใจถ้าเป็นเครือห่าดผู้ครองเรือมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเขามันก็ต้องเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือน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 ภายในจิตใจอย่างนี้ไม่สมควรเลยบุญอนใดมันจะเท่ากันกับบุญที่เราทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ดใดละกิเลสตัณหาได้ลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็โอ้ยได้บุญโขเลยได้บุญมากมต้องให้เข้าใจอย่างนั้น ทีนี้ถ้าผู้ใดสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจมันก็คงกันข้ามมันก็ได้บาปนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะบุญกับบาปนี่มันเป็นเหมือนฝ่ามือกับหลังมือนี่น่งนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรละกิเลสได้เต็มทีแล้วการที่เราได้บวชเข้ามานี่ต้องคิดให้ดี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 อย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นจะไปเข้าใจว่าเข า, เานำทยทานอะไรต่ออะไรมาถวายมาออกมายโทเรารวยแล้วดีอกดีใจอย่างนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องตื่นตัวต้องตื่นตู น, ต, นตื่นตัวเตือนตนนะนี่ถ้าเราประมาทนะเราไม่ทำความเพียร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 ลูกนั่นก็เป็นหนี้บุญคุณมารดาบิดานเพราะ น, นั้นลูกเมื่อเฉลิญวายใหญ่โตมาจึงต้องหวนระลึกถึงคุณของมารดาบิดาแล้วคิดตอบแทนบุญคุณของท่านมันจึงไม่เป็นหนี้บุญคุณท่านสืบต่อไปในชาติต่อต่ อ, ตอไปนู่นนะอันนี้เหมือนกันเอเราเป็นนักบวชเนี่ยเราก็เป็นหนี้บุญคุณญาติโยมชาวบ้านเขาถ้าที่เขาได้ขอนควาย แสวงหาปัจจัยสี่ได้มาแล้วเขาก็มาแบ่งให้ทางวัดบ้างเขาก็แบ่งไว้บริโภคใช้ช้อยในครอบครัวงเขาบ้างดูสิเขาเจียดตเอามาบำรุงวัดเนี่ยถ้าเขาไม่เลื่อมใสไม่นับถือจริงใจแล้ะเขาไม่ทําเลยเพราะว่าเงินทองเข้าของมันหาได้แสนยากแสนลำบากจะถึงขนาดเขาก็ยังเจียดตเอามาธนุบำรุงวัดวาสนา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 ญาติยโยมที่เขามาสนับสนุอุปถธรรมบำรุงนี่ก็ก็จะไม่มีโทษแก่เราผู่รับทานชาวบ้านเขาเดี๋ยวว่าเรารับทานแบบที่ว่ามีสติไม่หลงลาภสการะไม่ลืมตัวนี่มีอุบายเตือนตนให้ประกอบความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยบาบางไปจากกิจใจ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 ต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกพระองค์จะประเสริฐได้ก็เพราะพระองค์ละกิเลสนี่เราก็รู้กันอยู่นี่เราจะประเสริฐได้ก็เพราะเราละกิเลสตามพระองค์เหมือนกันนั่นแหละอืให้พึงเข้าใจอ <c oughs> เราจะเร็วได้ก็เพราะเราไม่ละกิเลสบวชเข้ามาแล้วนะเมื่อไม่ละกิเลสแล้วมันก็ความประพฤติมันก็เหลวไหลไปแล้ว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 แม้พระสงฆ์สาวกของพระมิวภาคเก้าที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระเจ้าจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานล่วงมาแล้วหลายเป็นจำนวนมากเนะเราก็ะระลึกถึงท่านเสมอว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีธาตุสี่ขันห้า 5, เหมือนกับเรานี่แหละไม่ใช่ว่าแปลกอะไรแล้วพูดถึงรูปร่างแล้ว แต่ว่าท่านมีความเพียนใหญ่ท่านมีความบาปบั่นมากเหตุนั้นท่านจึงละกิเลสตัณหาขาดจากสันดานได้แม้เราก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรามีความบาปบัน่นมั่นหมายมีความเพียนสำรวมตนอยู่เสมอไปไม่ท้อถอยตนก็จะทรองละกิเลส ไ, ได้เหมือนกันนะกับราษาวกทั้งหลายที่ท่านร่วงรับ ดับขันเขาสู่นิพพานไปแล้วนั่นนะก็ต้องให้พากันพยายามนึกอย่างนี้เสมอๆไปืมื่อก็ถึงจะมีศรัทธามั่นในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเก้าวเราก็จึงจะมีความเคารพในพระสงฆ์แม้เราอยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะ ทุกคนเหมันก็ต้องเครารพในสงนี่เรีอว่าเครารพในหมู <c oughs> ในคารวะหกนั่นนะท่านยังกล่าวว่ามีความเครารพแกกล้าในพระสงฆ์นั่นนะต้องทำความเครารพอย่างแกกล้า <c oughs> ในสงนี่นะคือเมื่อสงมีมติอะไรออกมาแล้วนะ ระเบียบอันใดมติอันใดซึ่งชอบด้วยธรรมวินัยล่ะเราต้องเคารพต้องทำตามนี่นะอย่างนี้คือ จ, จึงเนี่บอกเคารพเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์ <c oughs> มันทำยังไงกันอยู่ล่ะฮะเลวไหอ่ะเขาเตือนแล้วหลายครั้งแล้วนะ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 อย่าไปทําตัวเป็นคนอ่อนแอสิ <c oughs> เราอวดอุเราบวชอุตทิตต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่เหตุที่พระ อ, องค์จะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะพระ อ, องค์ตั้งใจอะตั้งใจให้แนวแน่นเคารพต่อระเบียบทําตามระเบียบ เช่นนั้นนะมันถึงได้มีจิตใจเข้มแข็งจึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้เข้ารบต่อการศึกษานี่อันนี้ก็สำคัญนะสนุรบคารวะหกประการนี้นะผู้ใดปฏิบัติตามได้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้ต่อพระนิพพานไม่ใช่ย่อยๆนะเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานแต่อย่างนั้นเพราะนั้นอย่าพากันเกียดครานการศึกษาบางคนนะ่ะเพื่อนตีระครังแล้วยังเฉยเมืออยู่อย่างนี้มันไม่ชอบนะไม่ถูกเราต้อง เคารพต่อระเบียบเชินระเบียว่าเก้าโมงนะต้องเตรียมตัวมาขึ้นเรียนกันอย่างนีอหรือว่าสิบโมงก็แล้วแต่ที่ตกลงกันนะใกล้จะถึงเวลาเชนะมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวมาให้ทันกับเวลามันต้องอย่างนั้นการเรียนนะ่ะ <c oughs>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 มันไม่ใช่มีแต่หน้าที่การศึกษาเราเรียนอย่างเดียวการงานธุรกิจการงา น, นางต่างๆมันก็ต้องมีเวลานั้นทํอันนั้นเวลานั้นทํอันนั้นไม่ว่าการงานทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดเลยอ่ะ ม, มันมันมีเวลามันแบ่งเวลาไปทำการงานไปแต่และอย่างละอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิ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 อันสมควรในอันประกอบประกอบกิจนั้นๆ่นี่นะเราต้องเข้าใจสิพระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนด้ว้เพื่อให้เราลงมือปฏิบัติตามเนอะไม่ใชใ่จำไว้โกโก้โกเฉยๆอ่ะ <c oughs> ปริสันโยตายังงก็เป็นผู้รู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ว่าประชุมชนเหล่านี้นะเมื่อเข้าไปหาประชุมชนเหล่านี้แล้ว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 ต้องมีหมู่แวดล้อมอยู่นะจึงค่อยอยู่กันได้นี่ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในคารวะข้อที่หกนั่นนะกราชึงว่าปฏิสันฐาคารวะตาเคารพในการปฏิสันฐานคือการต้อนรับ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 นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้ทุกคนเลยเมื่อเห็นแขกคนไปมาอย่างนี้นะใครเห็นเขาแล้วก็ต้องปฏิสันฐานเลยต้องต้อนรับขอเชื่อเชิญให้ไปนั่งที่ไหนก็เชืชอช่อเชิญหรือไม่เช่นก็ถามไทยดูก่อนว่ามาประสงค์อะไรอย่างนี้นะ ถ้าอามาต้องการอยาพบครูบาอาจารย์อย่างนีอไม่เป็นไรเชิญตามมาจะพาไปพบที่ศึกษาในปัญญาศึกษาในศีลศีลของสมณเนนสิบข้อนันนะให้พากันใส่ใจนะเน้นที่บวชใหม่นี่ก็ดีต้องใส่ใจลืมหมดมั้งปัญญาฮะ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 สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้มันชอบจะมีอยู่นะให้พึ่งสังวรไ้ให้ดีอย่างที่เคยเตือนมาแล้วเนอะอยังว่าของที่อยู่ในกุฏิใหญ่นั่นนะอืาใครอยากได้เราไปช่วยไปจับเอาไปเลยไม่ได้นะอืาต้องให้เข้าใจ นี่ร่มนะเราหาให้จนว่าดูมันจะทั่วทุกคนแล้วนี่นะ